นะโมตัสสะภะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุทานุสติเมตตาจาสุภังบัสติ อิติมาจตุลาลัทธากาตาบาจวิปัสนาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอะโทสาทายสมันเตหิสกะจังโซตัปุตีนามบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะ อันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาในความตั้งใจดีของท่านผู้จัดรายการซึ่งเปิดโอกาสให้อรตมาภาพได้มาแสดงธรรม เพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีของพระบุรพาอาจารย์ของเราพระบุรพาอาจารย์ของเราที่มีบทบาทและมีความสําคัญซึ่งนําความเจริญทางปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมมาสู่วัดนี้รวมทั้งภาคอีสานทั้งหมด ได้แก่เจ้าพระคุณอบาลีคุณูปปะมาจารยิสิิจันทูจันซึ่งวัดปลมนิวาสกับวัดปทุมวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกให้เป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ทางภาคอีสานเพื่อจะได้มาศึกษาเราเรียันพระปริยัติธรรม และปฏิปัติธรรมโดยมีเจ้าพระคุณบาลีเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นท่านนำและท่านผู้นี้ภายหลังได้รับสมณศักดิ์อยู่ในระดับสูงถึงขนาดรองเป็นเจ้าคณะรองสมเด็จเป็นเจ้าคุณท่านพลม่ม เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีใครที่ได้รับสมณศักดิ์สูงส่งเหมือนอย่างพระคุณท่านเมื่อท่านบรรณาภาพไปแล้วชาวอีสานซึ่งเป็นลูกหลานมักจะพูดถึงท่านว่าเจ้าพระคุณในโกดหมายถึงว่าท่านบรรณาภาพแล้วได้รับพระราชทานโกดเป็นเกียรติยศเป็นองค์แรกของภาคอีสาน ครันภายหลังท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้ลูกสิทธิ์องค์สําคัญสององค์เอ่นหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดสมหาเทระซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้และเป็นสมเด็จองค์แรกของภาคอีสานแล้วก็เป็นสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ในประเทศไทยสมัยรัชธรรมนูญสง นี่องหนึ่งและอีกองหนึ่งคือพระอาจารย์เสากันตาสีโลพระอาจารย์เสากันตาสีโลเป็นพระเถระซึ่งสนใจในฝ่ายวิปัสนาธุระดำเนินชีวิตในทางด้านปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานโดยตรงโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการปกครอง โดยเจ้าพิงเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณนปมาจาย์สริจันโทจันนับว่าเป็นดวงประทีปแก้วของภาคอีสานนอก จ, จากจะนำการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนำความเจริญไปสู่ภาคอีสานในทางด้านาศาสนศึกษา แล้วก็ยังยังได้นำหนังสือไทยไปตั้งสอนที่วัดสุ ป, ปัตตารามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นชาวไทยอีสานก็เริ่มอ่านหนังสือไทยออกและเขียนหนังสือไทยเป็นแล้วก็ได้ส่งคนละบุตรเข้ามาศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพพระมหานนครมากขึ้นทุกทีทุกที จนกระทั่งปรากฏว่ามีพระเถรานุเถระทางฝ่ายอีสานมีบทบาทมีความสำคัญในวงการคณะสงฆ์หลายท่านตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ความจริงบรรดาท่านผู้ฟังเทศทั้งหลายอาจจะได้ยินเพียงในสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นว่ามีพระกรรมฐาน แต่ความจริงกรรมาฐานทั้งสายอาจารย์มั่นอาจารย์เสานี้มีมาก่อนแล้วกำเนิดคณะธรรมยุทธ์ในจังหวัดอุบลเกิดขึ้นโดยคณะกรรมาฐานโดยเจ้าพระคุณพระอริยกวีอ่อนซึ่งได้ถูกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวะจิรานวโรรสไปประดิษฐานคณะธรรมยุทธ์ลงที่วัดศรีอุบลรัตนารามท่านองค์นี้ใน ปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่ตามแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สี่และเราก็เริ่มมีพระกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคัดนั้นมาภายหลังโลกสิทธิ์ของเจ้าพระคุณองค์นั้นคือพระอาจารย์ศรีทาชะยะเสหลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปุรพารามจังหวัดอุบลราชธานี ก็เป็นผู้หนักแน่นในพระกรรมฐานได้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่เงียบเงียบโดยลำพังองค์เดียวโดยไม่ได้มีการเผยแพร่ให้กว้างฝังออกไปแต่พลั้นมาภายหลังนี้ท่านเจ้าพระคุณบาลีได้ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานในสำนักของอาจารย์ศรีธาและเจ้าคุณพระอริยกวีอ่อน แล้วก็ได้มาศึกษาปริยัติธรรมในกรุงเทพประมานครได้ข่าวแววๆ ว, ว, ว่าในตอนต้นไปพำนักอยู่ที่วัดพิชัยญาติคนบุรีแล้วภายหลังก็มีบัญชาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพหลุมมณีวาดได้มาจัดการศึกษาการปฏิบัติในวัดนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ในสมัยที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลียังทรงมีชีวิตอยู่ชื่อเสียงเกียรติยศในการแสดงธรรมหรือการแก้ปัญหาธรรมต่างๆปรากฏว่าท่านเป็นผู้ชาญฉลาดในการให้ความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติเพราะฉะนั้นในยุคหลังๆนี้ท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้มาได้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่สององค์ คือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดสมมาหาเถระท่านองค์นี้จัดการปกครองการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมแต่ทางฝ่ายท่านอาจารย์เสาได้จัดการเผยแพร่ทางผู้ดงกรรมฐานแล้วพวกเราก็มารู้กันว่ากรรมฐานมีเพียงแค่สมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นแต่แท้ที่จริงมีมานานแล้วแต่มาสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่น โดยท่านอาจารย์สาวาอาจารย์มั่นได้นำคณะออกเดินทุดงไปาพาคแรมตามถ้ำตามหิวตามสถานที่วิเวกต่างๆแล้วก็ได้สร้างวัดสำนักกรรมฐานขึ้นในภาคอีสานเป็นจํานวนมากจนปรากฏว่ามีจํานวนวัดเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนหลายร้อยวัดในภาคอีสานในปัจจุบันนี้ที่นี้เจ้าพระคุณดังที่กล่าวมานั้น ท่านปฏิบัติก ร, รมฐานโดยอาศัยอะไรเป็นหลักท่านอาศัยหลักอารักขกรรมฐานสี่ประการดังพุทธภาสิตที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพุทธานุสติเมตตาจะเป็นต้นอารักขกรรมฐานคือกรรมฐานที่พึงสงวนรักษาไว้เป็นข้อปฏิบัติมีอยู่สี่ประการ เธอหนึ่งพุทธานุสติและเล็กถึงคุณของพระพุทธเจ้าสอง อ, อสุภะกรรมาฐานพิจารณากายให้เห็นเป็นของอสุภะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดโสโรกปฏิกูลสามการเจริญเมตตาสี่มรณัสติการละเล็กถึงความตาย อันนี้เป็นหลักกรรมฐานที่พระคุณเจ้าดังกล่าวมานั้นได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติอันนี้เป็นหลักปฏิบัติกรรมฐานที่มีอยู่ในคมปีพระธรมรมผูธทานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนำพล่ําสอน หมายถึงการเจริญพุทธคุณเช่นอย่างเาราทาวัดสวดมนต์เช้าเย็นเล่ากล่าวคำว่าอิติปิโสพระกวาอารหังสัมมาเป็นต้นอันนี้เป็นการเจริญพุทธคุณเป็นการเจริญพุทธานุสติด้วยบวชสวดมนต์และอีกอย่างหนึ่งการนึกพันธนาคุณของพระพุทธเจ้าโดยยึดเอาพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่สามประการเป็นหลัก คือหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุ ท, ทยมัยนิโรธมรรคแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามด้วยอันนี้เป็นพระปัญญาคุณพระคนประการที่สองพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาด ราสจากิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงแม่กิเลสเท่าทุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระไทยของพระองค์อันนี้เป็นพระปริสุดที่คุณเมื่อพระองค์พร้อมด้วยพระคุณทั้งสองประการดังที่กล่าวมาพระคุณที่สามคือพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาที่คุณมีพระไทยกว้างขวางเผื่อแผ่แม้พระองค์จะบรรลุคุณธรรมเสวยวิมุตติสุขแล้ว ก็ยังไม่ทรงเห็นแก่ตัวยังสู้อุตสาห์สละความทุกข์ยากลำบากเห็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเปในสัตว์ให้โลภจากบาปบนคุณโทษประโยชน์แหลมีใช่และเมื่ผู้ปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามอย่างพระองค์มีจำนวนไม่น้อยอันนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณ ผู้ที่ทรงพร้อมด้วยพระคุณอันใหญ่สามประการดังกล่าวมาชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้บทปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญกรรมาฐานด้วยการเจริญพุทธานุสติตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนท่านก็ให้กาหนดู้ลงที่จิตแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ การบริกรรมภาวนาพุโทโธเนี่ยเป็นออบายอย่างหนึ่งซึ่งหาสิ่งให้ติดให้จิตของเรายึดมั่นริงอยู่ในบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฐิแต่อบายวิธีการปฏิบัติกรรมฐานนั้นต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่ง ให้จิตของเราติดอย่างเหนียวแน่นเช่นคําว่าพุโทโธเป็นต้นเวทีบริกรรมภาวนาพุโทโธท่านแนะนำให้นึกพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้กับพุโทโธด้วยความตั้งใจประครับประคองจิดให้นึกพุโทโธอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรานึกพุโทโธไม่ต้องไปเนึกอย่างอื่น แม้แต่คําว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตสรู้เมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องไปนึกหน้าที่มีแต่นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวนึกจนกระทั่งจิตตัวคล่องขนาดไหนคล่องขนาดที่เราไม่ได้ตั้งใจจิตของเรานึกพุโทโธเองโดยอัตโนมัติในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าจิตของเราติดกับพุโทโธอย่างเหนียวแน่นแล้ว ลำพังแต่เราสามารถทําติดให้ติดอยู่กับพุโทโธไม่พลากจากกันท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการนึกพุโทโธถ้าเราไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยเราอาจจะเห็นผลประโยชน์ในการนึกพุโทโธจะเป็นใครก็ตามถ้านึกพุโทโธคําเดียวตลอดวันยั่งคำติดต่อกันไม่ขาดสายจนไม่ว่างเว้น จิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งกระแสไปสร้างบาปกรรมอย่างอื่นเพราะจิตอยู่พุทโธอย่างเหนียวแน่นแล้วเมื่อจิตอยู่กับพุทโธอย่างเหนียวแน่นพุทธานุสติการแล้ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มจะได้ผลได้ผลตรงที่เราสามารถเอาพุทโธมาสกัดกั้นบาปที่ใจเอาไว้ทีนี้เมื่อเราเนึกพุทโธไม่ขาดสาย จิตจติดอยู่กับพโธพโธอยู่กับจิตแล้วในเมื่อจิตของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าจิตมีเครื่องระลึกมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตลอดเวลาความสงบของจิตนั้นจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้ อันนี้คืออบายขั้นต้นแห่งการบริกรรมภาวนาพุโทโธหรือพุทธานุสติทีนี้เมื่อพู้มาบริกรรมภาวนาพุโทโธแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าจิตของเราโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อนึกอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวนานๆเข้า จิตย่อมติดอยู่กับสิ่งนั้นในเมื่อติดอยู่กับสิ่งนั้นย่อมเกิดมีอาการสงบความสงบที่จะเพิ่งปรากฏในขั้นแรกคือความเบากายความเบาใจถ้ากายรู้สึกว่าเบาเบาสบายสบายใจก็เบาเบาสบายสบายก็แสดงว่ า, าจิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้ว ทีนี้ต่อจากนั้นเมื่อเกิดมีกายเบาจิตเบากายก็สงบจิตก็สงบในเมื่อกายสงบจิตสงบสิ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติคือนิวรหะก็ค่อยเบาลงพอหลังจากนั้นเมื่อจิตเกิดมีความสงบ ก, กันจริงๆแล้วปีติและความสุขย่อมเกิดขึ้นในเมื่อปีติความสุข เกิดขึ้นในจิตเจตก็เพลิดเพลินอยู่กับปีติและความสุขนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องอื่นเจตก็มุ่งตรงต่อความสงบเป็นลําดับเริ่มต้นแต่คณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลําดับลําดับไปก็แสดงว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบ กายควรจิตควรกายคล่องจิตคล่องเพื่อมันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในขณะ น, นี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ามีความสบายอย่างมากบางทีเผลอนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนยั่งรุ่งถ้าจิตไม่ถอนจากสมาธิอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในกาดาด้วยปริกรรมภาวนา แม้แต่เราจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นเมื่อผลเกิดขึ้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันบริกรรมภาวนาเนี่ในขั้นต้นเรานึกถึงบริกรรมภาวนาเรียกว่าวิจตุปเมื่อจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นไม่ภากจากกันเรียกว่าวิจารณความดูดดื่มของจิตกับบริกรรมภาวนาซึมทราบเข้ากัน แล้วก็เกิดมีความอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าปีติในเมื่อปีติเกิดขึ้นสุกอันเป็นผลผลพลอยได้ก็ตามมาในเมื่อปีติและสุกเป็นเครื่องเลี้ยงจิตก็ย่อมดำเนินไปสู่ความสงบเลื่อยไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิที่นี้สมาธิมีสามขั้นตอนหนึ่งขณิกะสมาธิสองอุปจารสมาธิสามอัปปนาสมาธิ คณิกะสมาธินั้นเราหมายเอากันเพียงแค่ไหนความสงบปั๊บแวบเพียงนิดหน่อยหรือมีแสงปรากฏปั๊บแล้วก็หายไปนั่นแสดงว่าจิตสงบนิดหน่อยอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างลงไปแล้วจิตยับยั้งอยู่ในความสงบได้นานพอสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่เสียษเข้าไปใกล้ต่อความสงบนิ่ง ความรู้สึกว่ามีลมหายใจปรากฏอยู่ความรู้สึกว่ามีกายก็ปรากฏอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะที่มีปีติและความสุขตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอุปจารสมาธิรั้นจิตละเอียดยิ่งเข้าไปกว่านี้ปีติและความสุขหายไปแม้แต่กายซึ่งมีปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยทุกเสียงทุกอย่างหมด ยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวและจิตรู้อยู่เฉพาะที่จิตอันเดียวเท่านั้นไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิด ใ, น ใ, นในดๆปรากฏขึ้นไม่รู้เรื่องภายนอกกายก็ไม่มีลมหายใจไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆนิ่งสว่างสวัยอยู่อันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิ เจติวในอปปนาสมาธินี้ท่านเรียกว่าจิตถึงขั้นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานที่จิตอยู่ในความนิ่งสงบอย่างนี้จิตย่อมไม่เกิดความรู้จึงมีคํากล่าวว่าผู้บริกรรมภาวนาพุทโธจิตได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคํากล่าวที่ถูกต้อง แต่ความจริงท่านับภาวนาได้สังเกตดูให้ดีแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่างจะทำจิตให้สงบนิ่งลงเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นลองคิดย้อนหลังไปดูสิว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดเคยภาวนาพุโทโธจิตสงบเป็นสมาธิได้ พอภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปพอจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มสงบลงไปสว่างขึ้นมาแล้วคำภาวนาพุโทโธหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจได้ว่าการบริกรรมภาวนาจิตสงบลงได้เพียงแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิ เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้ถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการภาวนาพุทโธนี่จะได้ผลโครูบาอาจารย์มีคำแนะนำในตอนนี้ว่าเมื่อภาวนาพุทโธทําจิตให้สงบนิ่งสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาหายไป เมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วไม่ต้องนึกถึงบริกรรมภาวนาอีกให้กำหนดรู้จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นและถ้าในช่วงนี้ลมหายใจปลากุบให้ยึดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปนึกคิดอะไร ความคิดว่าลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องคิดลมหายใจยาวก็ไม่ต้องคิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเราเป็นผู้หายใจแม้ว่าทำไมไม่คิดว่าลมหายใจสั้นหายใจยาวเราย่อมรู้ในเมื่อผู้ภาวนามายึดเอารมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติหนักๆเข้าลมหายใจจะเป็นสื่อนําจิตให้ดําเนินเข้าไปสู่ความสงบ อ, อ, อย่างแน่วแน่ คืออัปปนาสมาธิในความเป็นจริงในประสบพการเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาพุโทโธหรือบริกรรมภาวนาทำใจลัยจิตมันก็ไปสงบนิ่งนิ่งๆน่งน่ ง, นงอยู่เพียงแค่อัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้อะไรเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้จริงๆมีแต่สภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียว แต่เราจะทำปัญญาให้เกิดเมื่อใดเราเพิ่งคอยสังเกตุว่าจิดถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอปรากฏว่ามีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วความคิดขึ้นในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาแล้วผู้ภาวนาไม่ควรจะปล่อยโอกาสให้ทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆ เจดคิดอะไรขึ้นมากว่ากำหนดรู้เพียงแต่กำหนดรู้อย่างเดียวอย่าไปช่วยมันคิดความคิดนั้นจะเป็นคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสารพัดอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพียงแค่ทำสติตามรู้อย่างเดียวในเมื่อเรามาทำสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เป็นการพิจารณาวิปัสสนากรรมาฐาน เพราะความคิดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมีปรากฏอยู่ในจิตตลอดเวลาผู้ภาวนามาเอาความเกิดดับของความคิดเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติในเมื่อเจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกเจิตย่อมทราบซึงและมีความรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นแต่ถ้าหาว่าเจิตของเราดูแต่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับอยู่เฉย ไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นพรมจิตก็อยู่ในแค่สมถะแต่ถ้าหากว่าจิตเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลกึกหนักๆเข้าจิตย่อมจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของอของความคิดเองในเมื่อกําหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอั น, นิี้จะสัญญาความสําคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติ ในเมื่อจิตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคืออนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงเมื่อจิตรู้ความไม่เที่ยงของสภาวะที่เกิดดับกับจิตจิตก็ย่อมก้าวขึ้นสู่ปุ่มแห่งวิปัสสนาด้วยประการนี้แต่ถ้าท่านทําจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วเมื่อสมาธิถอนออกมาปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโดยไม่กําหนด รู้ความคิดต่อก็เป็นอันว่าการภาวนาจิตของท่านก็ติดอยู่เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นเองทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็หมายถึงความคิดที่เกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตนั่นเองในเมื่อมีความคิดเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตมีเครื่องรู้โดยเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลึก ในเมื่อเกิดมีความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตจิตก็ก้าวเดินเข้าไปสู่วิปัสสนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเนขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายพึ่งจงพึงสังเกตด้วยประการอย่างนี้ที่นี้ในเมื่อเรามาเจริญพุทธานุสติเพื่อทำสมาธิในขั้นต้นจนกล้องตัวแล้วเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยมีสติปัญญา ปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาในขั้นที่สองอันนี้เป็นแบบของท่านอาจะาเจ้าคุณพระอุบาลีสอนตอนต้นเจริญพุทธานุสติเมื่อเจริญพุทธานุสติคล่องตัวแล้วขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกขาดจิตให้เกิดสติปัญญาท่านให้พิจารณาอาสุภกรรมฐานซึ่งเรียกว่าอาสุพังซึ่ง <c oughs> หมายถึงการ ที่เจรนาอาการสาสองอย่างพระภิกสุสง์ที่บวชในพระพุทธศาสนาในวันแรกพระอุปชายะท่านสอนมูลกรรมาฐานคือกรรมาฐานหท่านนำให้ว่าเกสาโลมานักขาทันตาตาโจแล้วก็ว่าย้อนกลับมาตาโจทันตาหักขาโลมาเกสาแล้วก็แนะนําให้พิจารณาสิ่งทั้งห้าให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งาม เพื่อจะให้จิตรูดซึ้งลงไปถึงแก่นแห่งความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิคูณน่าเกลียดจริงๆเพื่อจะได้เป็นอบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดจินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจเราจะได้อยู่เจ็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นการฝึกขาดจิตให้มีการก้าวเดินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา ถ้าว่าใครจะสามารถกําหนดพิจารณาไปจนครบอาการสามสิบสองก็ได้ในขั้นนี้ท่านสอนให้พิจารณากายทั้งปวงนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าจะเลิญกรรมฐานห้าก่อนเพราะกรรมฐานห้านี่ยคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นเครื่องหมายของความสวยความงามแหละไม่สวยไม่งาม คนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีขนงามเขาเรียกคนงามคนที่มีเล็บงามมีฟันงามมีหนังงามเขาเรียกว่าคนงามและความงามห้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ปิดหูบังตาไม่ให้เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงอันซ่อนเล่นอยู่ภายในคือความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เพิกสิ่งงามทั้งห้านี้ออก เพื่ออกให้มองเห็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดให้เห็นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆทีนี้เราอาจจะมีคนอบายพิจารณาไปหลายๆอย่างจะพิจาจรณาในแง่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกก็ได้จะพิจาจรณาในแง่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นแต่เพียงธาตุสี่ที่น้ำลมไฟ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือจะพิจารณาไปในแง่อ น, นิจจงทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาัตตาก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดอันนี้เป็นอุบายที่ฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดสติปัญญาในขั้นต้นเราใช้สติปัญญาอย่างธรรมดาธรรมดาเป็นการพิจารณาจนจิตมันเกิดคล่องตัวในเมื่อการพิจารณามันเกิดคล่องตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ เจตของเราจะปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าการพิจารณากรรมฐานเริ่มจะได้ผลแล้วทีนี้เมื่อจิตมีการคล่องตัวในการพิจารณาพอนึกถึงผมมันก็พิจารณาไปเองว่าผมเป็นของปฏิคูลน่าเกลียดนึกถึงขนก็มันก็พิจารณาไปเอ ง, เ น, อง น, นึกถึงอะไรมันก็พิจารณาไปเอ ง, ง, อเองโดยไม่ได้ตั้งใจ เรียกว่ามันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาในเมื่อมันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาแล้วการคล่องตัวนั่นแหละจะเป็นอุบายให้จิตเกิดความสงบขึ้นมาได้ความสงบที่เกิดจากการพิจรนารณาเนี่ในเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นปีติและความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอย่างอื่นทีนี้พอพูดมาถึงขั้นตอนแห่งการพิจรารณา พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านสอนกรรมฐานท่านประสอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักใจถ้าบางท่านอาจจะคิดว่าเราเอาสิ่งอื่นนอกจากหลักการที่ท่านเขียนไว้ในตำรับตำลามาเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาเป็นอารมณ์กรรมฐานจะไม่ได้หรืออันนี้ขอทําความเข้าใจก่อนว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน หรือศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะคือสอนให้ผู้ปฏิยผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้กฎธรรมชาติของความเป็นจริงกฎธรรมชาติพอสิ่งที่จะแสดงกฎธรรมชาติให้เรารู้เห็นความเป็นจริงนั่นคืออะไรสิ่งที่จะแสดงให้เราเห็นความเป็นจริงคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมได้แก่กายกับใจของเรา ไายกับใจของเรามีตาหูจมูกเล่นกายใจตาหูจมูกเล่นกายใจพระพุทธเจ้าพาเราเรียกว่าวานรหรือประตูในเมื่อมีประตูถาวรย่อมมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าเมื่อมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าสิ่งนั้นที่ผ่านออกผ่านเข้าคืออะไรโรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้ามาทางหู กลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายอารมณ์ธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางใจท่านเคยได้ยินปัญหาที่พร ะ, ะที่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระอาหนุนไหมพระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานุ์ว่าตูก่อนอานนุนตัณหามันจะมันเกิดที่ไหนและมันจะดับลงที่ไหน พระอานอ์ก็ทูลให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบเองพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนอานอนตัณหามันเกิดที่ทวารหกคือตาหูจมูกเล่นกายหลใจเมื่อมันดับมันก็ดับที่ทวารหกเหมือนกันเคื่อดับที่ตาหูจมูกเล่นกายหลใจอะไรที่มาโยโยุให้เราเกิดตัณหาโรค ผ่านเข้ามาทางตาเกิดความยินดีเสียงผ่านเข้ามาทางหูเกิดความยินดีเกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกเกิดความยินดีรสผ่านเข้ามาทางเล่นเกิดความยินดีสัมผัสเข้ามาผ่านมาทางกายเกิดความยินดีธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตเกิดความยินดีในเมาเกิดความยินดีแล้วก็ทะเยอทยานอยากได้สิ่งนั้น ในเมื่อมีการท่าเยอทะยานนั่นแหละคืออาการแห่งกัรหามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ผู้มาปฏิบัติธรรมมาทำสติรู้อยู่ที่ทวารหกคือตาหูจมูกเล่นกายใจอะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้อะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้โดยการทำสติรู้อย่างเดียวเพราะสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นคือสภาวะธรรม สภาว่ธรรมย่อมแสดงปารากฏการณ์ให้เห็นจริงอยู่ตลอดเวลาเคยมีความเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปซึ่งธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้นที่นี่นอกจากโูคเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ผ่านเข้ามาทางตางหูจมูกเล่นกายแต่ใจแล้วสิ่งอื่นนอกจากนั้นเราจะมาเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมาฐานไม่ได้หรือเอ้ายกตัวอย่างเช่นผู้ที่เรียนจบมาในทางแพทย์ เรียนจบมาทางวิชาอื่นๆซึ่งเป็นศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาในสายโลกเช่นธรรมศาสตร์นิติศาสตร์วิศากรรมศ า, ศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนเป็นความรู้มาเราจะเอามาเป็นอารมณ์พิจารณากรรมาฐานบ้างจะได้หรือไม่ขอตอบว่าได้ดีเสียอีกเพราะมันเป็นความรู้ที่ท่านรู้มาแล้ว เอามาเป็นหัวข้อแห่งการพิจารณาจะเกิดความคล่องตัวเร็วขึ้นและสิ่งนั้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี่จะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้อย่างไรสิ่งนั้นแหละคือธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมเราเรียนหนังสือมาแต่เบื้องต้นพอเราเปิดตำรากลางตำราออกมาเรามองเห็นด้วยตาตัวหนังสือที่มองเห็นนั่นคือรูป ทีนี้ครูอาจารย์สอนบอกให้อ่านเราได้ยินด้วยหูนั่นคือเสียงทีนี้ท่านหัดให้เราขีดเขียนจนเป็นตัวอักษรนั่นคือการสัมผัสด้วยกายเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็เป็นผู้เก็บเอาเป็นความรู้สิ่งใดที่เราสามารถกำหนดรู้ได้ด้วยใจสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสภาวธรรมสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของกรรมาฐาน ก็เป็นสิ่งที่แสดงปรากฏการณ์ให้เรารู้จริงเห็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของธรรมดาแล้วทำไมจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นยังสมมติว่าพระสงฆ์เะาบวถอยู่ในวัดนี่ถ้าสมัครจะเป็นนักภาวนากรรมฐานเพียงแค่แต่ตั้งปัญหาถามตัวเองว่า เวลานี้เราเป็นอะไรแล้วก็หาคำตอบว่าเวลานี้เราเป็นพระพระมีหน้าที่อย่างไรพระมีหน้าที่เรียนพระธรรมวินยัยเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่อปฏิบัติปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเข็นจริงพิจารณาไปตามสติปัญญาที่เราสามารถจะพิจารณาได้ เช่นอย่างชาวบ้านทั้งหลายที่คลองเรือนอาจจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราครองเรือนเพื่ออะไรแล้วเราจะอยู่เป็นครือขัสเพื่อแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองถามตอบถามตอไปเรื่อยๆด้วยการทำสติจดจ้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนึกคิดพิจารณาอยู่นั้นแล้วก็จะเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เหมือนกัน และอีกอย่างหนึ่งนักภาวนาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ฟังฟังกันดูแล้วภาวนาเอาเวลาบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นั่งได้หนึ่งชั่วโมงบางท่านก็บอกว่าได้สองชั่วโมงบางท่านก็บอกว่าได้สามสิบนาทียี่สิบนาทีลงผลทุดท้ายก็เลยเป็นการภาวนาเอาเวลา นอกจากจะภาวนาเอาเวลาแล้วภาวนาเอาความเห็นในเมื่อนั่งหลับตาภาวนาพอลืมตาขึ้นมาครับอาจารย์ผู้สอนก็มาถามก็มักจะถามว่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมทีนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นไม่มีคำตอบก็แสดงว่าภาวนาไม่ได้ผลจึงอยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่า การภาวนานี่มันเป็นกิริยาของจิตสมาธิเป็นเรื่องของจิตโดยตรงการเดินเดินนั่งนอนแม้เราจะเดินเดินนั่งนอนได้เวลาแค่ไหนเพียงใดเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนกิริยาบทแต่การทำสมาธิสําคัญอยู่ที่การทำจิตการกำหนดจิตการทำจิตให้รู้ให้มีสิ่งรู้ ทำสติให้มีสิ่งระลึกจนกระทั่งจิตของเราเกิดความสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วก็ประกอบด้วยองค์มีปีติสุขเอกะขาตามีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนเวลำเวลาไม่สำคัญเราอาจจะทําสมาธิในท่าเดินท่ายืนท่านั่งท่านอน หรือถ้าใครจะเก่งเิงจะปักหัวลงกับพื้นชี้ขาขึ้นฟ้าบริกรรมภาวนาอยู่ได้ก็เชิญทำได้ทั้งนั้นที่เรามานั่งขัดสมาธิเอามือขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั่งกายให้ตรงอันนี้เป็นวิธีการเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติแต่ที่แน่ๆจริงๆก็คือการทาจิตอย่างเดียว การทำจิตนี่เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกลายเป็นสติพละในเมื่อเรามีสติเป็นสติพละสติมีกำลังก็สามารถที่จะประครับประองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติเมื่อกระทบกับอารมณ์จะไม่มีความหวันไหวง่ายหรือไม่หวันไหวเลยแต่ถ้าสติพลานี้เพิ่มพลังขึ้นไปอีกกลายเป็นสตินสี่ สติเป็นใหญ่ในธรรมในอารมณ์ทั้งปวงในเมื่อจิตนึกถึงอารมณ์สิ่งใดถ้าจิตรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะหยุดคิดแต่ถ้าจิตยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะต้องพิจารณาในสิ่งนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าสติเป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวงทีนี้เมื่อจิตมีการพิจารณาจิตก็มีเครื่องรู้สติก็มีสิ่งละเล็ก แล้วถ้าสติเพิ่มพลังขึ้นยิ่งไปกว่านี้สภาว้าจิตมีการประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอาริยมรรคมรรคแป่ประชุมลงเป็นหนึ่งคือความเป็นหนึ่งของจิตโดยมีลักษณะจิตสงบนิ่งสว่างไม่ไหวติ่งแต่มีสิ่งที่พลังขึ้นภายในจิตให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลา อันนี้คือสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคนี้สงบลงเป็นอัปปนาสมาธิเป็นหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อจิตสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องละลึกแต่เป็นสภาวะที่ละเอียดสุกผุมยิ่งนักเต็งเทปรากฏกับจิตในขณะที่อริยมรรคประชุมพร้อมแม้จิตจะรู้เห็นอะไรสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น ไม่มีสมมติบัญญัติเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรมีแต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ภายในจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นแต่อะไรเกิดอะไรดับจิตไม่ว่าเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆอันนี้คือสมาธิในอริยมรรคเป็นสมาธิที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้อยู่ในตัว ซึ่งต่างกับสมาธิในฌานสมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีปรากฏการอันใดที่จะให้รู้อันเป็นเครื่องส่อแสดงให้เห็นพระไตรลักษณ์คือสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวเฉยๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานเป็นสมาธิขั้นสมถะสมาธิขั้นสมถะถ้าจิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เร่องผิดแต่เร่งแตกต่างกันกับสมาธิในอริยมรรคเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติเพึ่งสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองตามในดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือหลักการที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีได้นำพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกขามาทีนี้ประการที่สาการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี่เป็นจิต เป็นกิจจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเพราะการเจริญเมตตานี่เป็นประการประกาศความเป็นมิตรต่อสิ่งทั้งปวงท่านเจ้าพระคุณบาลีเวลาท่านเข้าไปทุดงในป่าท่านมักจะเจริญเมตตาแล้วประกาศออกมาว่าเราสมณะมาสแสวงหาความสงบมาสแสวงหาความวิเวกเราไม่ได้ตั้งใจจะมายึดเอาที่เอาทางของใคร ถ้าว่าท่านผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ว่าตัวมีตัวเป็นเจ้าของอยู่ในสถานที่นี้เราขออาศัยท่านบำเพ็ญสมณธรรม ท, ทั่วขนาดหนึ่งแล้วก็จะหนีไปสู่ที่อื่นเรามาด้วยความไม่เบียดเบียนใครแล้วท่านก็แผ่เมตตาโดยนึกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเ ป, นเป็นผู้มีสุกกายสุกใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและอย่าได้ปราศ จ, จากสมบัติที่ตนได้แล้วเถึงท่านจะทำอย่างนี้เป็นจิตวัตรของท่านเป็นประจําแม้แต่ว่าจะไปพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆโบราณท่านถือว่าต้นไม้ใหญ่ต้องมีผีกูดีต้องมีพระอยู่นี่ท่านเจ้าพระคุณบาลีท่านถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ต้องมีเจ้าของ โลกคเทวดาอาศัยอยู่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปอาศัยล่มเงาท่านจึงขออนุญาตประกาศขออนุญาตเจ้าของเข้าขอเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเบียดเบียนเราและเขารู้ว่าเรามาดีไม่ได้มาร้ายแล้วท่านก็อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในที่นั่นตามสมควรอันนี้คือหลักการเจริญเมตตาแนวทางปฏิบัติของเจ้าคุณพระอุบาลีและประการสุดท้าย ท่านให้เจริญมรณะสติคือให้ระลึกถึงความตายคนเรานี่มันตายมาตั้งแต่เกิดตายจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ตายจากผู้ใหญ่มาเป็นคนแก่ตายจากคนแก่ไปเป็นคนตายจริงๆในเมื่อตายจริงๆแล้วเน่าเน่าแล้วร่างกายทั้งพวงนี่ก็สลายสลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไฟนี่คือตาย อันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่เจ้าพระคุณอุบาลีท่านสอนและอีกอย่างหนึ่งการพิจารณาความตายเนี่ยท่านถือว่าเป็นเทวทูตคอยกระต้นเตือนจิตใจของตัวเองไม่ให้เกิดความประมาทการรลึกถึงความตายเป็นอุบายไม่ให้เกิดความประมาทและเป็นอุบายให้รู้จริงเห็นจริงเพื่อให้จิตของเรานี่ยยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตาย ในเมื่อจิตเรายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายจริงๆแล้วเมื่อจะเกิดความตายขึ้นมาจริงๆเราจะไม่เกิดหวาดกลัวต่อความตายในเมื่อความรู้แน่ว่าเราจะตายจริงๆแล้วความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งว่าก่อนที่เราจะตายนี่เราควรจะได้อะไรดีๆติดตัวไปก่อน ถ้าหากไม่สำเร็จมรรคผลนิ่านอย่างน้อยก็มีบุญกุศลพอที่จะไปขึ้นสู่สวรรค์ก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้และลึกถึงความตายเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดผดในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปนี่คือหลักการที่เจ้าพระคุณบาลีได้นำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาสืบมาแต่ส่วนข้อความพิสดารหรือความละเอียด ในเรื่องปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดค้นตำรับตาลาอ่านหนังสือรู้ศึกษาถามตามปรูบาอาจารย์ต่างๆและขอให้คำแนะนาว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทำจิตของเราให้มีสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริง เพื่อให้จิตของเราเป็นอิสระมีอำนาจเหนืออารมณ์ทางปวงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ยจึงไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยพลังจิตของใครมาช่วยจิตของเราและไม่จำเป็นจะต้องไปอัญเชิญเอาอำนาจบนฟ้าบนสวรรค์มาช่วยให้เราได้ปฏิบัติเห็นผลง่าย บางท่านก็ถามว่าทำอย่างไรปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นผลได้ผลเร็วคำตอบก็คือว่าตั้งใจทำจริงๆถ้าว่าท่านจะเป็นนักภาวนาจริงๆวันหนึ่งๆให้ท่านตั้งใจไว้ว่าฉันจะนั่งสมาธิวันละสี่ครั้งแต่ละครั้งจะนั่งให้ได้วันครั้งละหนึ่งชั่วโมงเอากันวันละสี่ชั่วโมงเท่านั้น วันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราสละเวลามานั่งภาวนาธรรมสมาธิสัก4ชั่วโมงต่อวันรับรองว่าจิตของท่านจะต้องสงบเป็นสมาธิแต่ก็ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามความสามารถได้กล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องเตือนใจของบรรดาท่านทั้งหลายกอเห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติไว้ด้วยประกาศละชนีด ก่อนที่จะขึ้นธรรมะก็มีผู้พกาฝากปัญหามาทำ <c oughs> ถามว่าขะธรรมสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตโจนจะเข้าสู่ภาพวังแล้วและจะรู้อย่างไรว่าจิตกําลังอยู่ในภาพวังอันนี้เราเพิ่งสังเกตว่าถ้าเราเกิดมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายคล่องจิตคล่องกายควรจิตควร เพิ่งเข้าใจเถิดว่าจิตของเรากําลังจะก้าวเข้าสู่พระวังทีนี้คําว่าพระวังเนี่หมายถึงช่วงว่างระหว่างที่จิตกําลังบริกรรมภาวนาอยู่แล้วปล่อยวางคําภาวนามีอาการตกวูบลงไปวูบเป็นอาการเป็นความว่างของจิตช่วงที่วูบนี่ไปถึงระยะจิตนิ่ง ช่วงนี้เรียกว่าจิตตกผ้าวางทีนี้เมื่อจิตตกผ้าวางโอบลงไปนิ่งพับถ้าไม่หลับสมาธิเกิดถ้าจะเกิดความหลับก็หลับไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้าจะสมาธิจะเกิดพอนิ่งพับจิตเกิดสว่างแสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิถ้านิ่งพับมื่ดมิดไม่รู้เรื่องจิตนอนหลับนี่เพิ่งสังเกตอย่างนี้ จิตที่เข้าสมาธิต้องผ่านพะวังไปก่อนพะวังคือช่วงว่างของจิตที่ปราศจากสติเช่นอย่างเราคิดเราคิดถึงสิ่งหนึ่งเช่นคิดถึงแดงแล้วจะเปลี่ยนไปคิดถึงขาวช่วงว่างระหว่างขาวกับแดงเนี่ยตรงกลางนี่เรียกว่าพะวังสมาธิ ที่ใปล่อยวางบริกรรมภาวนามีอาการเคลิ้มมแล้วก็วูบช่วงวูกเรียกว่าจิตตกผวังเมื่อวูกแล้วนิ่งเมืดมิตรไปเรียกว่าจิตหลับถ้าวูนิ่งพับเกิดความสว่างพร่งขึ้นมาจิตเป็นสมาธิจึงทำความเข้าใจอย่างนี้ปัญหาต่อไปทราบว่าขณะง่วงนอน และต่อสู้กับความง่วงอยู่นั้นจะเป็นโอกาสให้สติกลับรู้ตัวตามกันทันหรือไม่ถ้าหากเรามีการต่อสู้ก็มีความตั้งใจในเมื่อมีความตั้งใจก็เกิดมีสติรู้ตัวถ้าความตั้งใจมีพลังเข้มแข็งขึ้นสติก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นความง่วงก็หายไป าสติกับความง่วงสู้ความง่วงไม่ได้ก็กลายเป็นความง่วงแล้วก็หลับคำตอบก็มีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ปัญหาต่อไปธรรมะของอาจารย์มั่นซึ่งเรียกว่ามุตโตไทแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรเราปรเพื่อความมิมุตเพื่อวีมุตคือความหลุดพ้นทายะแปลว่าหัวใจ มุตโตแปลว่าพ้นธรรมะของอาจารย์มั่นที่ว่ามุตโตไทยก็แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องพ้นมีความสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัติมุ่งต่อความหลุดพ้นเราทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นพร้อมในจิตซึ่งเรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรตแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญา เราปฏิบัติเอาความหลุดพ้นคือพ้นจากกิเลสศีลสมาธิปัญญาเป็นแต่เพียงอุปายทำให้เราพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นมตุตโตไทยของพระอาจารย์มั่นจึงหมายถึงระถึงหัวใจที่พ้นจากกิเลสทำสมาธิภาวนานั้นเวลาภาวนาพุโทโธนั้นจะต้องเอาจิตไปกําหนดไว้ที่ไหนเช่นไว้ที่คว่าพุโทโธหรือทาเป็นจิตลไว้ตรงหน้าเฉย หรือตามลมหายใจพุโทโธแปลว่าผู้รู้พุโทโธแปลว่าผู้ตื่นพุโทโธแปลว่าผู้เบิกบานการภาวนาพุโทโธเอารู้คือพุทธะไปไว้กับคาพูดว่าพุทโธพุโทโธพุโทโธนี่เป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นคำพูดคำหนึ่งแต่ถ้าเราเอาตัวรู้สึกสํานึกไปไว้ที่พุทโธ แปลว่าเอาพุทธโธไปไว้กับคำว่าพุทธโธ ท, ทีนี้เวลาเราภาวนาพุทธโธจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนก็ได้เช่นจะไม่เอาไว้หรือจะเอาไว้ที่ไม่ตั้งใจจะเอาไว้ที่ไหนเราก็กาหนดรู้ลงที่จิตความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นความรู้สึกสภาวะรู้คือพุทธะู้รู้ แล้วก็เอาคำว่าพุโทโธไปไว้กับสภาวะผู้รู้พร้อมกับนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธคำว่าพุโทโธไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้เป็นแต่เพียงอารมณ์ของผู้รู้การทำสติให้รู้อยู่กับพุโทโธความทำสตินั้นคือตัวผู้รู้แล้วเอาตัวผู้รู้มานึกถึงคำพูดว่าพุโทโธเอาพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุโทโธ บางท่านก็บอกว่าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพุทพร้อมกับลมเข้าโทรพร้อมกับลมออกบางท่านก็สอนให้กําหนดรู้ที่ปลายจมูกตรงที่ลมผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยอันนี้แล้วแต่ความเหมาะกับจริตของท่านผู้ใดถ้าหากว่าการกําหนดบริกรรมภาวนาพุโทโธถ้าเรากําหนดพร้อม โคพรปลอมลมเข้าโทร้ลอมลมออกจังหวะมันยังห่างอยู่จิตยังส่งกระแสไปทางอื่นได้ก็ปล่อยลมหายใจเสียแล้วนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้มันเร็วๆเข้าอย่าให้มีช่องว่างจะเอาไว้ที่ไหนก็ได้ทีนี้การการกำหนดนาการกาหนดจิตรู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติอีกแบบหนึ่งก็หมายถึงว่า ทำสติรู้อยู่ที่ลมหายใจก็คือทำพุทโธอยู่ที่ลมหายใจนั่นเองพุทธะแปลว่าผู้รู้เอาผู้รู้มาไว้กับลมหายใจก็คือตัวรู้นั่นเองมันแตกต่างกันโดยที่อันหนึ่งเอาข่าพุทโธเป็นอารมณ์อีกอันหนึ่งอารมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์การเอารมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เพียงแต่รู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้ โดยจะว่าโคทโถซ้ําเข้าไปอีกก็ยิ่งดีทีนี้นการบริกรรมภาวนาเพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาเฉยๆเนี่ยเช่นอย่างภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธพอจิตสงบลงไปแล้วจิตมันไม่มีที่ยึดสงบสว่างลงไปแล้วมันลอยเเก้งฟ้างอยู่ไม่มีที่ยึดกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาย่อมจะเห็นโูกภาพต่างๆ แต่ถ้าหากว่ากําหนดลมหายใจไว้พร้อมกับบริกรรมภาวนาเมื่อจิตหยุดบริกรรมภาวนาไปนิ่งบ้างอยู่เฉยๆแล้วจิตจะยึดลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วจะตามลมหายใจเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิผลได้แตกต่างกันอย่างนี้ถ้าบริกรรมภาวนาเฉยๆจิตสงบแล้ววิ่งออกไปข้างนอก แต่ถ้าบริกรรมภาวนาพร้อมกับกำหนดลมหายใจจิตสงบแล้วปล่อยวางบริกรรมภาวนาจิตจะอยู่กับลมหายใจ